ผู้อสังขารปรินิพพายี4พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อดทางโสตะอกะนิทคามีบุคคลห้าจำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสําเร็จภิกษุททั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด